หาเป็นที่ตั้งของมัดของผลของปณิพานมารวมปณีมุติที่จะได้มัดได้ผลในปณิพนานก็มาตั้งอย่ในขันหาอนี่และวจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็มาตั้งขันหาถามันมีขันหาแล้วทําอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ตั้งขันหาลงแล้วแนละ้ว ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสมาธิก็ได้ฌานสมาธิสมบัติหรือจะเจริญปัสนาลงขันหานี่ทั้งนั้นนอกจกขันหานั้งมีอะไรทั้งหมดทำทั้งหลายที่ท่านเทศนาไว้มากมายก็รู้วนะ่านแต่ออกมาจากขันหานทั้งหมด ขันหาคือรูป ก, กับนามรูปประขันรูปที่เห็นในเลตาแล้วนี่แหละนามได้แ่วเวทนาความทุกข์ความเจ็บความปวดหรือความสุขสบายกายสบายจิตหรือความเฉยนี่เรียกว่าภูเบขา แค่ที่จริงกับความสุขนั่นแหละความสุขจงยอดเยียเ่ยมเรียกว่ารูปเปิดาเนี่ยมันเรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจดจำสิ่งที่ได้พบได้ผ่านได้ประสบพบผ่านมาจดจำไปโน้มนานแสนนานบางทีโดยไม่รู้สึกตัว โผล่ขึ้นมาที่เรียกว่ีตาสยานอานาคตาสยานาทีตาสยานนั่นคือหมายความแบบระลึกชาติผนหลังเก่าได้นั้นคือวสัญญาเก่าแก่แต่หลายพบหลายชาติกระแล้วยังติดตามตัวของเราอยู่อทีตาสยาน อ, า น, าอา น, านาคตาสยานนั่นคืออานาคต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 ประกอบอาชีพหรื่อสิ่งต่างๆประดิษฐ์คิดขึ้นมาแล้วก็ทำตามเรียกว่าสังขารถึงไม่ทำตามมันคิดเลกมันปรุงมันแต่งกันนั่นแะมันในตัวสังขารสังขานี้มันแต่งกระทั่งให้เกิดพบเกิดชาติโดยที่เราไม่ตั้งใจสังขารนั้นลึกซึ้งที่สุด แต่งให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาก็ได้ถ้ายังมีแต่งจะตราได้ก็ยังไงพ้ น, นจากพพจากชาติตราแล้วมาเกิดนั่นด้คิดนึกวอาจะมาเกิดจะมาปรุงว่าแต่งเราเองยังได้มาเกิดวิญญาณคือความรู้สึกตัวความรู้สึกครันแรกพอประสบ ลูกตาผสบกับลูกเห็นขึ้นมาเรียกว่าเห็นพรเห็นจะรู้สึกว่าเห็นเท่านั้นหายไปสัญญาตั้วในวิญญาตานั้นแล้วก็สัญญาเข้ามาแทนที่สังขารเข้ามาปลุงมมาแต่งแทนที่เรื่อยไปล้ววิญญาณคือมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นแหะไม่ทราบว่าดีว่าชั่วว่าหาบว่าละเอียดอะไรแล้วท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับ คนไปดูทองคําคนที่เห็นว่าทองคํำเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้จักว่าทองคําน้ําเท่าไหร่อ่ะไม่ทราบว่าเข้าสิบเอร์เซ็นต้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบอ่ะหรือเส้ น, นเป็นทองเกลือกไม่ทราบแต่ว่าเข้าใจว่าทองนั่นแหะนเรียกกว่าวิญญาณไอเรียกว่า วิญญาณวิญญาณในสังขารแต่วิญญาณอีกในหนึ่งซึ่งลึกซึ่งเข้าไปกว่านั้นอีกอามวลเอ า, ม, เอามดทังขทั้งหานั่นะเอาไว้ในความหมดคือวิญญาณไม่ติดสนทิอมวลเอารูปอเวทนาสัญญาสังขารน้นหมดในนั้นหมด คือมันไม่ประมวลเอามันก็ไม่ได้มาเกิดเราเป็นคนนะสิประมวลเรารวมเข้ามาในที่เดียวนั้นหมดยังไงมาเกิดเราเป็นคนอันนั้นตัววิญญาณปฏิสนธิอวิญญาณท่านอุปมารูปไว้ธา น, นีว่าทังรูปก่อนรูปแปลว่าทลายแปลว่า มีอันแสบวปวรไปธรรมดาจะต้องแตกตรงสลายนันเรียกว่าลูปลูปก็คือลบมันแหละมาจากลบลนันแหละในคำบาลีเช่นว่าเอาอุเป็นโอเอาโอเป็นอวะแปลว่าลบก็เหมือ น, น เ, ขเขาเขียนกระดานดำฉะนั้นต้องลบฉะนั้นเหมือนกัน ลูกเกิดขึ้นมาต้องดับศูนย์มีอันดับศูนย์เป็นธรรมดาไม่เที่ยงมันทาวอนอันนั้นเรียกว่าลูกมันดับนั้นศูนย์ไปทุกวันทุกวันมันแฝงป่วนไปทุกวันลูกเกิดขึ้นมาแล้วนี่นอันแฝงผวนไม่โดยประการต่างๆอย่างนั้น เวทนาเกิดจากนี้แหละเกิดจากรูปไปเสีก่อนเจ็บปวดเมื่อยโนโุ่นนี่แข็งขาภวยวะทุกสิ้นทุกส่วนนั้นก็ที่รูปมีทั้งนั้นถ้ามีรูปมันก็มีเจ็บมีปวดอะไรหรอกรูปยังเป็นบอ่อเกิดของเวทนา เป็นบอ่อเกิดของไม่ความไม่สบายเป็นบอ่อเกิดของเจ็บของการเจ็บกนรป่วยผู้ซึ่งได้รูปมาแล้วจำเป็นจะต้องพรพยาบาลรักษานังเคยอธิบายฟังว่ารูปนั้นนะ่ะมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่จะต้องอธิบาย ที่เรียกว่าจตุจักจั ก, กรังนวทวารังจตุจักจกังนับแปลว่าจักสี่คือยาบทสี่นั่นเองอยืนเดินนั่งนอนจักเงสี่นี่ต้องหมุนเวียนอ ย, อย่างนั้นต้องทำอย่างทางานอ ย, อย่างนั้นนวทวารังมิทวารเก้า ตาสองหูสองจมูกนหนึ่งจมูกสองปากนั่นหนึ่งทวารหนักทวารเบารวมกันไปเสร็จเก้าจริงทั้งหลายเรื่อนี้นั่นกุคลันตังบกคลันตังไล่ออกไล่เข่าอยู่ตลอดเวลาคืออย่างตาจิตอย่างตางี้แหละ มันไหลเข้ามาก็คือรูปมันเองไหลเข้ามาแล้วก็ดับลงไปเสียงกิ่นรสปรในในจมูกวิกายเหมือนกันทวานปากเที่ยวกระดังตังกระดังตังมันไหลเข่าไหลออกคือปากของคนเราน่มันต้องไม่มีที่เข้าหรอกไม่มีทั้งอื่นนอกจากปากแล้ว ไหลเข้าไปทุกวันทุกคืนไหลเข้าไปไม่อันใดกว่าห น, นึ่งแหะเป็นข้าวน้ำอาหารสางกินทุกกินทุกส่วนต้องเข้าไปช่องนี้ทางนั้นแล้วไหลออกไปาวาวรน า, าวรหนักเงื้อนเหมือนนกีการ ไอ้น้ำในทะเลหรือเหมือนกันน้ำในแม่คงเขาทิ้งอะไรล ง, งบนไอ้จอมมันก็ไหลลงไปคุณทิพยลงไปข้างล่างท่านจะมาอุกขารต่างมาขาดันต่างไหลออกไหลไหลเข้าไหลออกอ ย, อย่างนั้นถ้าไม่ไหลออกมันก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอีกอ่ะถ้าไม่ไหลเข้าก็ทุกขเวทนาสก็ ภาพงามอีกแล้วมันต้องไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นล่ามไปแล้วเป็นตัวของใครละกันอย่างของไหลออกไหลเข้าเนี่ยนะมันไหลอยู่ในอย่างนั้นอยู่ล่ามไปมันเป็นของใครเป็นตัวของใครละกันไม่ทราบว่าตัวของใคไม่ทราบวา่วาอะไรเป็นอะไรอย่าไหลออกได้เขานะ้าเรื่องนั้นมันหลายอย่างหลายเรื่องลูก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 จิตมันจะงงไปทิกายเหมือนกันรวมไปทิกายท่นน่ะีมันไม่ไปที่อื่นดูวยความสงบพิัญญาอวิปสนาเมื่อก่อนอาการที่แยกออกไปเรื่อประการต่างๆเห็นไม่ใช่วนใช่ตัวเป็นแต่สักว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไหลเข้าไหลออกสิอย่างนั้นมันเรียกวิปสนา มันเห็นแจ้งไปจากอย่างนั้นเนี่ยเห็นชัด้วยใจจริงๆทางภายนอกก็เห็นภายในก็เห็นภายนอกเราดูก็เห็นอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นภายในก็ชัดเจนกว่าเรียกถึงลูกเรียกว่าลูกเป็นบอ่อเกิดของเวทนาทา ง, งหวงมดต้องเกิดจากลูกนี่เป็นตนเหต เมือ่อลูกเจ็บปวดเมือ่อลูกไม่สบายมันกร ะ, กะทบกระเทือนทางใจเพราใจผูปกครองเราอยู่บ้านอยู่เรือนมันรั่วมันฝนตกมันรั่ว ม, มันก็ต้องเปียกทั้งทิ้งของหรือตัวของตนของคนนั่นอยู่ไหนกันดีเหตนนั้นเหงุว่ากายนี่จึงเป็นบอกเกิดของเวทนาเวทนาคราวนี้ มาลีจิรูปรมาสัญญาไปเวทนาก็ประรูปรมาท่านอุปมาเปรียบเหมือนเวทนาเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝังคลื่นน่ะเป็นรูปมากระทบฟังแล้วาหายถลายไปเวทนาที่มันเกิดจะมาความสุขกริกทุกข์กต มันเกิดตัวปเดยวกับดาก็่อหายไปพระเดียกับดาวผ่องหายไ ป, ป, ย ป, ป, ยไปอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของของใครทั้งหมดทุกทุกก็ะหัติอยู่ในโลกอันนี้มันหายไปต่าไปตั้งอยู่ไหนมันมาไม่ต่ามาจากไหนพ่อแม่พี่น้องญางติวงศ์ตระกูลของมันอยู่ไหนก็ไม่สักเวทนา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 เพราะนั้นเรียกว่าไม่เกิดขึ้นเวทนาเสียบมัจะคืนกระทบฝังสัญญาเสียบเหมือนกันให้ยับแดดนาฬิกาูประมาณสัญญาแล้วมองดูแดดไกลๆเวลาแดดมันรอน้อนมันเป็น ย, ย, ย, ยิบยิบยิบยิบเป็นตนลเป็นตัว รูปล่างเวลาเดินเข้าไปไกลหายหมดเดิน้ไปไกลมันไปอยู่โน่นข้างหน้ามันยิบแย้มยิบแยบแ ย, บ, ยบอื่างนั้นท่านยาคือเราไปจดจํำนั่นนี้ต่างๆไม่มีตนมีตัวจริงแล้วไปจําอยู่ที่ใจของเรานี่สั่งหักของนั้นไม่มีหรอก จึงว่าเป็นเหมือนกับมีไม่มีเหมือนกับมีถ้าใจเราไปยึดถ้าใจเราไปไม่ไปตกกระแตงมันก็ไม่มีอะไรความจำก็ไม่มีอะไรจำว่านั้นวันนี่ว่าดีวิเศษพิสโสงั้นอย่างนี้ว่าว่าหญิงว่าใช้ายผูกกับคนแะแวงตานไปยึดต่างหากแต่แท้จริงไม่มีอะไร จึงว่ามันยากคนเราถ้ามีสัญญาอุตรากแต่จะต้องรักษาอุตรานั้นซึ่งจะให้มันติดถ้าไม่ไม่ติดมันก็ไม่มีทํำยังไงมันจะไม่ติดมันปราโกติมันเห็นอยู่อย่างนั้นนันสิ่งที่ไม่ติดมันสําคัญตรงนั้นธนเปี่ยมมันกับไปยับแดด ญญวิญญาณนั้นอายุประวิญญาณน่งวิญญาณเนี่ยเป็นมาอย่างหลอกลวงด้วยประการต่างอย่างที่อธิบายฟังแล้ววิญญาณในทังขานรู้ทั้งตารู้แล้วก็หายวับไปรู้ทั้งหูทั้งจมูกดินทากายรู้ขึ้นมาแล้วหายไป จริงอื่นมาแทนคือสัญญาสังขารมาแทนแิตวิญญาณนัน้นรู้แล้วก็หายไปหายไปไม่ทราบไปยั่ไหนันโผล่น้นโผล่นิพพากฏนอนปรากฏนี้ก็วิญญาณนั้นหลอกลวงให้ดิ้นหล่นรุ่มหลงไปตามแต่ตัวมันมันก็เป็นตัวตัวของมันไม่เป็นตัวตนของตนอะไรสักอย่างเดียว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 เราไม่รู้เรื่องของขันหักมันยังข้องในขันหักจึงไปไม่พ้นจากขันหักตายจะเกิดตายจะเกิดในขันหักพระพุทธ เ, เจ้าท่านรู้ขันหักพระพุทธ เ, เจ้าสอนให้เห็นขันหักให้รู้เรื่องของขันหักหน้าที่ของลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น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 พิจารณาเธอพิจารณาไปตลอดชีวิตชีวามันก็ไม่หมดสักทีมันได้เกิดมีอยู่ในนั้นแหะหมดจากอนี้ไปเกิดเรื่องอื่นหมดจากเรื่องอื่นไปเกิดเรื่องอื่นต้องคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ในที่เดียวนั่นแหะแต่มันไปร้อยแปดทันประกาศเรื่องมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อะไร เรื่องทั้งหลายแล้ะนะพอหมดเรื่องแล้วมันแล้ววันแล้ ว, ว, ว, ว, วคืนไปขนาดนั้นจริงครพันทั้งหลายมดทางพวงมาเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราที่เรกวคันทา ขันหาจะเป็นอันิจกองขันหาครเป็นทุกขังนับต่างอย่างอธิบายมาเนี่กว่าขันหารวมเหมือนที่เดียวมดเราได้ขันหาได้ที่ว่าได้ของประเสริฐสูงสุดเราเป็นมนุษย์นี่มีขันหารดีวิเศษแล้วแต่หากว่าเราไม่มีปัญญาพิจารณาขันหาจึงไม่เป็นประโยชน์ มีปัญญาพิจารณาดังอธิบายมานี่คันหาจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านแสดงองคนน์ผลนิพพานกัะคันหาเขาเป็นพระพุท ธ, เ, ทธเจ้าก็โพงได้ขันหาสาวกหลายก็ได้ขันหาท่านจึงเอาคันหาพิจารณาจนให้สําเร็จองค น, นิพพานสูงที่สุดก็อยู่ในขันหานท่านถ้าตามที่สุดเป็นโจรเป็นขโมย ที่ชอบจิตผมก็อยู่ในขันหาเนี่ยนั้นขันหาจะไม่ได้อีกขันหาคือมนุษย์ของเราจะไม่ได้อีกจะตามลงไปเร็วไปกว่านี้อีกเป็นสัตว์ที่ไรฉนเป็ดหสักายขันหาถ้าตามเร็วสาวไปกว่า น, นี้ถ้าทําดีคือจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในฌานสมาธิสมบัติจกนกระทั่ง ถึงเมื่อผลเดือพานก็ออกไปจากกัญหาเนี้มีขังนหานี้ทั้งนั้นเอาละอธิบายเพียงเ่านี้